พระธรรมเทศนาแผ่นที่86กลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่23าธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าคัดสรรธรรมนำมาประดับตน วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามธันวาคมพุทธศักราช2558้าอห้าสิบแดอีกไม่กี่วันข้างหน้าเป็นวันปีใหม่ณะคะนัตถาญาิโยมลูกหลานแต่ถึงยังไงก็ควรจะเตือนเตือนกันไว้แต่นั่นเนินบอกกล่าวกันเพราะเหตุไรเพราะว่าถึงวันนั้นพ่อแม่ก็ควรจะเตือนลูกๆ ของตนเองอย่าไปกินเหล้าเมาสุราทำให้ตัวเองเสียหายทามันเสียหายไม่ใช่เสียหายแต่คนที่ดื่มนะเสียหายทั้งพ่อทั้งแม่ด้วยพ่อแม่จะทำยังไงได้ลูกชายขาหักแขนหักหัวน็อกพื้นโตโตเตเตจะเลี้ยงกันไปถึงวันไหน เพียงสนุกแต่ไม่กี่วันไม่กี่เวลาไม่กี่นาทีแต่สรุปแล้วก็คือขาดการยั่งคิดไม่ได้คิดไกลๆไม่ได้คิดว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วก็เมื่อมันเมาเมาเข้าไปแล้วขาดสติแล้วขับรถขับราในถนนเป็นยังไงอันตรายมากน้อยแค่ไหนถ้าเราคิดให้ไกลๆแล้ว การที่จะทำสิ่งไหนลงไปมันก็ต้องได้ยับจั้งในการกระทำของตนเองถ้าเราไม่ทำอะไรไม่คิดไม่อ่านเห็นแต่ความสนุกชั่วชูขั้ว ข, าขนาไปเห็นหมูเห็นเพื่อนกันสังสรรค์กินเหล้าเมายาไม่ได้คิดว่าต่อไปเป็นยังไงเพ้อเผอกินเหล้าในหมูเพื่อนกันตีหัวกันอกีกข้าฟันลันแทงกันอกีก สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พ่อแม่พวกเราทุกๆ ท, ท่านน่นนะตือนเตือ น, นลูกหลานลูกหลานหลวงพ่อจะบอกกล่าวเป็นระยะระยะสรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าในท่านสอนให้ระวังในการเป็นอยู่ให้หมีสติสัมปชัญญะในการเป็นอยู่ แต่พวกเราดื่มธุราเข้าไปเป็นยังไงขาดสตินะ่อนี่เมื่อคนขาดสติแล้วทำความชั่วความเสียหายได้ทุกอย่างแต่เราก็ไม่อยากจะพูดหรอกคำชั่วความชั่วนะเราจะพูดกับความเสียหาย่ความเสียหายเกิดขึ้นได้ถ้าคนขาดสติผิดสินได้ทุกข้อเลยคนขาดสติจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้ ประพฤติผิดและลาบประรูปในสามีภรรยาของคนอื่นก็ได้จะโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นใครก็ได้เพราะหะไหรเพราะคนขาดจิตใจนี่แหละอันนี้คือคือคนขาดจิติล้วทำความเสียหายอมันได้ทุกอย่างสรุป แ, แล้วก็คือสินห้าของพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่มาไม่ไม่ไปจากถินอื่นไม่ไปจากไกลสินห้าของพระพุทธเจ้านั่น เป็นสินคุ้มของโลกมาแต่แต่แตแตดึกดําบรรพ์ในเมื่อเมื่อมีศินห้าแล้วก็นี่นแหละทำส่วนอื่นคุณธรรมส่วนอื่นก็จะเกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าว่าพวกเราขนาดสินห้าอย่างเดียวก็ยังยังรักษาคุ้มของตนเองไม่ได้แล้วส่วนอื่นล่ะจริยธรรมอย่างอื่นล่ะคงจะรักษายากอีกเหมือนกันเพราะนั้น ในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้มากมายหลายๆอย่างหลวงตามหาบัวท่านก็เลย บ, บอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับสินค้าสินค้าสินค้าห้างในอยู่อยู่ในห้างสรรพสินค้ามีพวกเราจะเลือกเอาระดับไหนมาปฏิบัติถ้าเป็นกระว اة ญาติโยมเราจะเอาระดับไหนถ้าเป็นพระสงฆ์ แล้วก็มีหลายระดับอีกเหมือนกันแล้วก็ผู้ที่เห็นโทษภัยหวังถักความพ้นทุกในวัฏสงสารก็เนี่ยเป็นพระเข้ามาสู่แล้วก็สู่วัดแล้วก็ปฏิบัติหาทางพ้นทุกตามแนวแถวของพุทธะก็มีทางฝ่ายบ้านเมืองก็เหมือนกัน ถ้าเป็นฆราวาสกออ็มีศีลห้าก็ในระดับหนึ่งแต่ผู้มีความมุ่งมั่นกว่านั้นก็รักษาศีลอุโบโสถบวชชีพราหมณ์ก็ในระดับหนึ่งแต่เมื่อเขามาบวชเป็นพระพระคันธาธุระคือพระเราเรียนศึกษาอยู่ในเมืองอันไี้ว่าพระคันธาธุระพระศึกษารักษาพระไตรปิฎกนะว่าพระคันถาธุระ พระวิปัสนาธุระคือพระอยู่ในป่าในเมื่อรู้เรียนรู้หลักวิชาในหลักของพุทธศาสนารักษาศีลอย่างไงทำสมาธิอย่างไงเดินปัญญาอย่างไรพอรู้แนวทางจากนั้นก็ออกมาปฏิบัติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราเนี่ยบอกกลุ่มวิปัสนาธุระแปลว่าเรียนศึกษาพอรู้แนวทาง แล้วก็ออกมาปฏิบัติแต่คันถาธุระท่านจะรองรู้ว่าพุทธวจนะพระพุทธเจ้าตรัสยังไงอยู่ที่ไหนมีความหมายอย่างไรท่านจะศึกษาเรียนรู้อั น, นว่าขันธทุระมีมีสองเหมือนกันแต่ขันธทุระในท่านมีแต่ศึกษาตำรับตำราแต่วิปัชนาทุระนี่ยดูแผนที่ ในการเดินแล้วก็เดินออกไปปฏิบัติเนี่ยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายหลายหลายอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุสงฆ์ในครั้งพุทธกาลว่าดูกอดสงฆ์ทั้งหลายพระพุทธองค์เจเดจไปประทับอยู่ที่ข้างสะแห่งหนึ่งในเมืองโกสัมพีอยู่ในป่า พอพานไปนั่งพระสงฆ์ทั้งหลายก็ร้อมรอบร้อมข้างพระ อ, องค์ก็ได้กวาดใบใบไม้ประดู่ที่มันหล่นลงไปในพื้นแผ่นดินจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้กำขึ้นมากำมือหนึ่งโพระค์ออก็ตรัสอุปมาอุปไม้อุปไ ม, ปมให้พระสงฆ์ฟังว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายใบยไม้ประดู่ลายที่เรากรำขึ้นมาเนี่ยในกำมือของเราเนี่ย ใบไม้กับใบไม้ประดูที่มันหล่นลงในแผ่นดินที่พวกท่านทั้งหลายเห็นนยอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธเจ้าวา่าใบไม้ในกำ ม, มือของพระพุทธองค์เนี่ยเพียงน้อยนิดพระเจ้าค่ะใบไม้ที่มันใบไม้ประดูที่มันหล่นลงในแผ่นดินนี่มากกว่าพระเจ้าข่าพระองค์บอกว่านี่แหละสงฆ์ทั้งหลายทำคําสอนของเราตถาคตพระธรรม ที่เราตถาคตได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนมากมายแต่ว่าเราได้คัดสรรสิ่งที่จะทำให้พวกเธอทั้งหลายศึกษาแล้วได้ความรู้เกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเนี่ยเราคัดสรรเพียงก ร, ร ม, มือหนึ่งได้เพียงการร ม, มือแต่สิ่งที่เรารู้นนะ วิชาต่างๆในจักรวาลในโลกเนี่ยนะเหมือนกับใบไม้ประดู่ที่มันหล่นเกลื่อนกลาดแต่ดูแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความคลายความคลายกำหนัดรื้วาความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะนั้นเราจึงไม่ได้นำทำเหล่านั้นมาสอนพวกเธอทั้งหลาย นี่อันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุทธะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่รู้อท่านรู้วิธีทางโลกมากมายแต่ว่าท่านว่าไม่มันไม่เกิดประโยชน์ที่เรานำทำสอนมานอริยะสัตสีทุกทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมักทุกจิงไหนที่เป็นทุกเหตุให้เกิดทุกคือตัวไหนที่เหตุให้เกิดทุก สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์มรรควิธีการที่จะแก้แก้ทุกข์ทำยังไงในโรธเมื่อหลัดับทุกข์ไปแล้วเป็นยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักใหญ่อธิยสัตว์สี่ทุกสมุทัยโรธมรรคไตรลักษณ์เห้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาสรุปแล้วก็คือท่านให้มองโลกมองโลก มันตรงกันข้ามกับพวกเรามองที่พระพุทธเจ้าถึงอย่างท้อปไทยท้อปไทยในการที่จะแสดงพระธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าได้นตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณใหม่เมื่อท่านเดินตัดรู้ท่านก็อยู่ที่โคลนต้นไทรเจ็ดวันอยู่ที่โคนที่สมุจจรินเจ็ดวันอยู่ต้นอะไร เจ็ดวันเจดวันสรุปแล้วคือเดือนเดือนกว่ากว่าที่พระพระุทองค์คุ้นคิดที่ได้ทําทําที่ได้ตัดรูนะ้น่ะจากนั้นก็ทอปทศไทยโอ้ทำที่เราได้ตัดรู้เนี่ยที่ได้รู้ได้เห็นเนี่ยมันทวนกระแสะโลกโลกเขาเนคิดอีกแบบหนึ่งแต่เราทำของเราเนี่ยมันคิดอีกอีกแนวหนึ่ง ถ้าเราจะนำไปสอนคนเนี่ยเขาจะรับได้หรือเปล่าจะไม่มันจะไม่เหนื่อยเปล่าเลอเนี่ยที่เราจะแสดงหรือเราจะเทศให้ชาวโลกเขาฟังในเมื่อเรารู้แล้วก็เราก็ควรจะนิพพานไปเลยจบไปเลยไม่ต้องสอนคนละสอนก็คงจะเหนื่อยเปล่าเนี่ยจากนั้นพรมเทวดาพรม รู้วาราจิตของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ขนขวายน้อยแล้วท้อพระไทยไม่อยากจะแสดงไม่อยากจะปรดสรพสัตว์ทั้งหลายจึงได้พร้อมกันลงมากราบทนาพระพุทธเจ้าว่าผอมมาจโรกาติปติสหัมปติอย่างที่พวกเราที่พระจะแสดงธรำแล้วก็มีคนกล่าวอาราธนาเนี่ยคือใช้ภาษาของผอม ความแปลและความหมายอาราธนานว่ากราบทูลพระพุทธเจ้าข้าผู้มีธุลีน้อยผู้มีกิเลสเบาบางมีอยู่ในโลกเนี่ยไิใช่ว่าผู้ที่มีแต่กิเลสหนาหนาแน่นผู้มีกิเลสทุทลีเบาบางมีอยู่ขอพระองค์จงโปรดเทศนาไปเถอะท่านเหล่านั้นผู้มีทุลีเบาบางก็จะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผล ในการที่จะฟังทำทำคำสอนของพระพุทธองค์พะพุทธองค์อืมใช่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกผู้มีทุลีน้อยก็คงมีดังนั้นพระองค์จะมีกำลังใจขึ้นมาและก็มองว่าเราจะไปโปรดใครเป็นครั้งแรกไปโปรดใครก่อนท่านก็มองเห็นดาบท สองคนที่ท่านเป็นไปเรียนไปเรียนไ ป, ไปศึกษาด้วยนะในละแวะกนั้นที่อยู่ในละแวะกนั้นก่อนที่ท่านได้ตัดสรู้นะท่านก็ไปไเรียนไปเรียนไปศึกษาอยู่กับด า, าราบทอุตกระดาบทสองฤฤษีในถิ่นนั้นในละแวะกนั้นแต่ฤอษีสองท่านนะสอนแต่เรื่องสมาธิเรื่องสมะถะคือทำจิตใจให้เน่งให้สงบไม่ใช่ทางยังไม่ถึงจุด จุดหมายปลายทางแต่บัดนี้เราได้เดินวิปัสสนาตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจออกจากระไทของเราเราชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราจากนั้นพระองค์จึงนึกจะจะไปโปรดชดินโปรดฤสีสองท่านแต่ท่านทั้งสองท่านก็ได้มรณะภาพไปแล้ว พึ่งใหม่ๆ ม, มาดๆพึ่งบรรณาภาพไปท่านก็มองไปทางปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่หนีออกจากท่านไปในขณะที่พระองค์กำลังบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างเข้มงวดกวดขันในตัวเองอดปกกายอาหารถึงสี่สเกวันแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อจ ะ, สะแสวงหาทางพ้นทุกใน ในช่วงนั้นปัญจวคีต่างหายเห็นพระพุทธเจ้าทําล้มล้มดอนดอนเดี๋ยวก็กับไม้ฉันเดี๋ยวก็อดอาหารเ อ, อพวกนี้นก็ น, นั่งคอยอยู่ข้างเวทีพระพุทธเจ้าสิทธิฐานะคงจะหมดคงจะไม่ได้สําเร็จหรอกออดูดูแล้วทดลอง อ, อแล้วก็ถอยมาอีก อ, อแต่เขาหาปัญจวคีหารู้ไม่ว่า อันนี้ก็คือการทดสอบทดลองของสิทธัตถะในช่วงนั้นพอวันเดือนหกเพนสิทธัตถะได้ตัดสรุ้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไม่อยู่ละช่วงนั้นพ อ, พอดูดูแล้ว เ, เห็นสิท ธ, ธัตถะทดลองดูแล้วไม่ศัดไม่ศรัทธาไม่เชื่อก็เลยห น, นีออกไปออกจากสิท ธ, ธัตถะ ไปอยู่ที่เมืองพารณนสีปล่อยให้ศิษถะอยู่ตามลำพังจากนั้นพระองค์ก็นั่งวันเดือนหกเพนที่ท่านได้ตัดรู้นะท่านนั่งกัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงจากนั้นกำกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกตอนหัวค่ำวันเดือนหกเพนพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง นะเกิดดานรัตนะเกิดฌานขึ้นมาเนียกว่าปุเพนี่วาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้อันนั้นคือปฐมมยานปฐมมยามคือหัวค่ํำในหลักของพุทธศาสนาพวกเราต้องคิดว่าตายแล้วเกิดตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกถ้าพระพุทธเจ้าได้ตายชาตินี้ชาติเดียวตายแล้วสูนนะพระพุทธองค์จะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไร นี่ลหละหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะถ้าพวกเราศึกษาดูให้ดีแล้วนะปุเพนิวาสานุจติยานละลึกชาติโหดลังได้คือตายแล้วไม่สุดตายแล้วเกิดอีกชาติที่แล้วมาจากไหนจากไหนมาเกิดมาถึงจุดนี้พอถึงเที่ยงคืนดูอีกกำหนดดูใจอีกดูแต่พระไทยของระองจิตสงบรวมสงบลง เน่งเข้าไปอีกท่านรู้จุตูปะปาตาญยานการจุติการเกิดการตายของสรรพัพพสัตต์ทั้งหลายที่ท่านมองออกไปข้างนอกเนี่ยอย่างมองมาหาถึงพวกเราอย่างนี้นะแต่ที่แรกท่านมองท่านซะก่อนมองพระองค์ท่านซะก่อนเออต่อมาก็มองดูสรัรพพสัตย์ทั้งหลายใครทำไมมาเกิดทำไมไม่เหมือนกันทำไมคนหนึ่ ง, งโง่ทาไมคนหนึ่งฉลาดคนหนึ่งทำรวยคนหนึ่งจน คนหลงพิคงพิการคนหนึ่งเป็นบ้าใบ้คนหนึ่งทาไมโลกทาไมไม่เหมือนกันคนเป็นคนเหมือนกันมันน่าจะเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันพระองค์ก็มองดูแต่ละดวงวิญญาณแต่ละดวงใจแต่ละคนมองดูพื้นเพมาจากไหนพอท่านดูดูพระองค์ท่านแล้วเนี่ยมันมาจากไหนกรรมที่การเกิดของเราแต่ละภพแต่ละชาติมันไม่เหมือนกัน ท่านก็มองดูว่ากรรมคือการกระทากรรมคือการกระทา ม, มนโนกรรมคือคิดทางใจไปในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นอกุศลการกระทาออกไปทางกายไม่ถูกต้องทำสิ่งที่เป็นบาปการพูดออกไปไม่ถูกต้องการทำบาปทางวาจาการทาบาปทางวาจา การทำบาปทางกายการทำบาปทางใจแต่ว่าโลกทั้งโลกหนึ่งจบยุคปัจจุบันคืออย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ทางกายกับวาจาแต่คิดในใจในะอย่างไม่มีโทษนะยังไม่มีโทษยังเอาโทษไม่ได้ถ้าการกระทำออกมาฆ่าสัตว์เนี่ยเอาละจับเข้าคุกได้หรือหบพูดไม่รู้จักสูงจากต่าแลยจับเข้าคุกได้ มีมากมายโทษทางวาจาและโทษทางกายแต่ในหลักของพุทธศาสนาโทษทางใจคิดโลภอยากจะได้ของเขาคิดพยาบาทปองร้ายเขาคิดผิดทํานองครองธรรมมันผิดมันมาออกมาจากใจในเมื่อคิดออกมาผิดการกระทําออกไปก็ต้องผิดการพูดออกไปก็ต้องผิดมันออกไปจากใจซะก่อนนี่แหละอันนี้การกระทําทําได้สามทาง พระพระองค์จึงตรัสว่านี่แหละการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงแปลกแตกต่างกันเพราะเหตุไรเพราะการคิดไม่เหมือนกันในเมื่อทำกฎไม่เหมือนกันการพูดก็ไม่เหมือนกั น, กก เ, น, กนเพราะนั้นการสวยผลกรรมที่ตนได้กระทำไว้จึงไม่เหมือนกันพระองค์จึงตรัสเป็นพระบาลีขึ้นมาว่าอากตังลุกกตังเส้ยโยปัชาตะปฏิดุกกตังกรรมชั่ว คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเนี่ยพี่พ่อท่านมองเห็นกรรมของสรรพสัตว์คือการกระทำจากนั้นจวนสว่างท่านก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของแล้วของเราแล้ว เราจะไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่เราจะมาเกิดนั่นคือกิเลสราคะโทสะโมหะเต็มพินนำดวงวิญญาณและดวงใจของเราเนี่ยเกิดในพบภูมิต่างๆแต่บัดนี้เราชำระกิเลสจุดนี้ออกแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วใจของเราเป็นไทยเป็นอิสระแล้วเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะ ธ, ธรรมแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว น, น, นี้ก็คือ วันเดือนหกเพนพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสามอย่างตอนหัวค่ำนะเน่ะปุเพนิวาสานุสติญาณเที่ยงคืนะจุตูป ป, ปตาตญาณจวนสว่างนะอาสาวกายายญาณ น, นี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ทำในวันเดือนหกเพนนั้นอันนี้ก็ถ้าพวกเราศึกษาในการประพฤติธปฏิบัติ อย่างพวกเราท่านที่ศึกษามาที่ว่าปิปัดเหมือนพระวิปัสสนาธุระเนี่ยยังสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวหลวงปู่ขาวอย่างนี้เนี่ยว่าพระพระวิปัสสนาธุระท่านภาวนานตามแนวแถวของพุทธะนั่งขัดสมาธิอย่างที่ว่าด ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกำหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออ ก, ออกแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้ากำทากำหนดลมหายใจเข้าออกเออพียวๆมันจะลืมลหลงลืมได้ง่ายหลงส้นได้ง่ายควรจะสำทับด้วยพุทธโธเขาด้วยนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโท ให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกพร้อมกับพุทโธจากนั้นใจจะเข้าสู่ความสงบพอจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นอัปปนาสมาธิจิตกับกายกายกับจิตร่างกายของเราเนี่ยกับใจของเราเนี่ยเป็นคนละอานกันนะเนี่ะนวัดวท่านว่าร่างกายคือรูปธรรมแต่จิตใจนั่นคือนามธรรม นา ม, มธรรมมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่รู ป, ปรธรรมมองกันเห็นว่ากับกิริยานเป็นยังไงแต่นา ม, มธรรมมองไม่เห็นแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านให้ความสำคัญเรื่องนา ม, มธรรมมากกว่ารู ป, ปรธรรมนา ม, มธรรมคือจิตใจให้ความสาคัญมากกว่าเะบอกมนโนปุพังคำมาธรรมามโนเสธามนโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเรื่องของใจเนี่ยจะต้องศึกษาในรายละเอียดมีมากทีเดียวเท่านั้นเรื่องศึกษาเรื่องของใจเรงจะเอาสมาธิเข้ามาแล้วก็กาหนดดูจิตใจของเราแต่ละวันแต่ละเวลา เ, าเรานึกคิดอย่างไรนึกปุ่งอย่างไรคิดอย่างไรจิตใจของเรามันคิดดีหรือมันคิดชั่วมันคิดไปในทางไหนนี่แหละ อันนี้คือหลักธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าหลวงตาท่านบอกว่าสินแลธรรมคำทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนอสินค้าอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าเราจะเลือกเอาระดับไหนมาประดับกายวาจาใจของเราแต่ละท่านตั้งแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องการวางตัวการเป็นอยู่ของพวกเรา ตอรอดถึงการปรปับปรุงกายวายใจยใจของพวกเราทุกระดับจนถึงว่าจะเอาอย่างไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดมีได้ทั้งหมดถ้าเราศึกษานะวิชาในโลกนี้ต้องศึกษาทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าจะรู้เฉยหย่อผูรู้ได้ทุกอย่างสิ่งไหนที่เราไม่รู้สิ่งนั้นเราโง่เราพูดอย่างนั้นได้ พอเราไม่รู้แต่ใครๆก็มาอยากจะตั้งว่าความโง่แต่ว่าไม่รู้เพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยวิชาขแขนงหนึ่งอีกเหมือนกันนะวิชาหรือหรือภพหรือชาติจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดวิชาของพุทธศาสนาคือสูงสุดนะจากนั้นคือการอยู่ด้วยกันการวางตัวยังไงคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมไม่ให้ตนเองเดือดร้อนสรุปแล้วก็คือ ศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าศีลห้าเนี่ยเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาในเมื่อเราไม่ต้องการสิ่งที่มันทุกข์เราก็ไม่ควรจะทำให้กับเขา เ, เขาก็ไม่ควรจะทำให้กับเราต่างคนต่างเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่แหละโลกทั้งโล ก, ก็เป็นสุข ถ้าว่าเราไปทําให้กับเขาเขาไปทําให้กับเราเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเราไปขโมยเขาเขามาขโมยเราเราไม่เคารพสิทธิสามีภรรยาคนอื่นเขาเขาไม่เคารพสิทธิภรรยาของเราเราไปโกหกเขาเขามาโกหกเราเนี่ยศีลห้าของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ไม่ได้อยู่ไกลอยู่ใกล้ๆพวกเราเนี่ยเขาเราเขาเรานะเพราะฉนั้นพวกเราให้สํารวมกายว่าจาใจของตนเอง ถึงใครจะทำไม่ได้แต่เรารู้คุณค่าศีลธรรมว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนั้นข้าพเจ้าจะงดในการกระทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนั้นคือให้นับหนึ่งจากเราการประกอบคุณงามความดีให้นับหนึ่งจากเราเราจะไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่แหละถ้าต่างคนต่างนับหนึ่งจาก ตัวข้าไปเจ้าทั้งหมดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่มันเกิดมากเกินไปเรอยๆนะพระเนนลูกหลานจัทไายญาติโยมทุกๆทุกๆท่านนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พรวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดหลากหลายในทางพุทธศาสนานะตอนน่อไปรับผรอนะุทิสวนกุศลหน้า